hmm <sweak> สุขที่ผ่านมาเนะเป็นวันสุกสิ้นเดือนแล้วก็ไม่ใช่เดือนธรรมดานะเป็นเดือนกันยายนหมายถึงวันสุดท้ายของข้าราชการจำนวนมากนะที่จะทํางานรับราชการก็มีการมีงานเลี้ยงมีงานฉลองมีงานอําลาเกษียณอายุทั่วประเทศเลยเป็นช่วงเวลาที่ ร้านอาหารพัตคานี่จะมีความสุขมากนะเพราะว่าราชการทั่วประเทศก็จะมีการเลี้ยงส่งเลี้ยงอำลาก็มีงานเลี้ยงที่จังหวัดแห่งหนึ่งนะเป็นการเลี้ยงอำลายกับผู้อำนวยการโรงพยาบาลประจาจังหวัดผู้อำนวยการคนนี้นะตอนที่มีอำนาจนะก็ไม่ค่อยสนใจนะการทำงานเท่าไหร่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 เขามีหรือเขาเจอเหตุการณ์แบบนี้เมื่อได้ยินหรือว่าได้เจอเองเนี่ยตั้งแต่ยังเป็นข้าราชการพั้นธุน้อยเนี่ยหรือค้าราชที่ยังไม่มีอำนาจเนี่ยก็น่าจะเฉลวใจนะเออผู้คนก็แหแหานกันเฉพาะเวลามีอำนาจพอเวลาแลกอำนาจคนก็เมินเฉยหรือว่าคนที่ทําตัวน่าระอาเนี่ยตอนที่ยังมีอำนาจก็มีคนมาห้อมล้อมแต่พอหมดอำนาจนะ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 กูเป็นผู้ว่ากูเป็นประหลักกระทรวงจริงๆไม่ได้คิดว่าอันนี้มันเป็นเรื่องสมมตินะที่หลวงพ่อเขียนท่านบอกว่าไม่เป็นอะไรกับอะไรเนี่ยความหมายเนื้อเคื่อนนี้แหละก็คือว่าไม่ว่าจะมีตำแหน่งอะไรอยู่ในสถานะอะไรก็จะไปหลงคิดว่านั่นคือเราเราเป็นนั่นมันเป็นแค่สมมุตินะมันไม่ใช่ของจริงนะเป็นหัวโขน เราใครเข้ามาเยือนยอเราเออเราก็รู้ว่าเขาไม่ได้มาเยือนยอเราเข้ามาเยือนยอหัวโขนที่เราใส่ต่างหากดังนั้นเวลาถอดหัวโขนถึงว่ า, าลงจากเวทีเราก็ไม่ทุกนะเพราะเราก็เตรียมใจไว้แล้วที่จริงเรื่องแบบนี้เนี่ยมันเห็นได้นะสังเกตได้นะอย่างที่ธรรมบอกตั้งแต่เป็นข้าราชการผู้น้อยเนี่ยก็จะเห็นแล้วว่าไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นนะกับข้าราชการผู้ใหญ่คนนั้นคนนี้มันมันเป็นแค่มายา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 หรือว่าหนังสือที่ได้อ่านนะว่าจะเป็นพระไตรปิฎกหรือว่าอัศกถาคัมภีร์แต่มันคือปรากฏการณ์ที่เห็นในชีวิตประจําวันเขาก็สอนธรรมมาใ ก, กับเราได้อย่างงานเลี้ยงว่นที่30กันยาเนี่ยอย่างที่ว่าเนี่ยก็สอนทําให้กับเราได้นะว่าโอ้โลกธรรมเป็นอย่างนี้เองเนะมื่อเราเห็นแล้วเออก็มาเตือนใจเรานะนอกจากเห็นด้วยตาแล้วเนี่ยก็ควรจะใคร์ครวนต่อไปนะว่าเออ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 เราทุกพรเรายึดมั่นนะในความเป็นนั่นเป็นนี่เพราะเราเข้าไปเป็นไปแล้วนะไอ้รู้ว่านี่มันก็เป็นของไม่เที่ยงนะอย่าไปสนใจมันมากเพระถึงเวลาพอหมดลมก็ทั้งหมดที่มีก็หมดสูญหายบางทีไม่ต้องร้อย ห, หมดลมหรอกนะอย่างความเป็นพระเนี่ยนะพอศึกเมื่อไหร่ก็จบนะรู้ว่าก็ถอดหัวโขนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะไอ้ความ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 เราไม่มีสิทธิ์ไปเรียกร้องแต่ถ้าเกิดเราไปยึดความเป็นพระมา่านก็จะเรียกร้องขอต้องเคารพชั้นขอต้องให้เกียรติชั้นนะแล้วเราก็ทุกข์เองเราค่ำนี้พูดกันเท่า น, นี้นะครับ